ประเด็นประเด็นที่ถามก็คือว่าถ้าปฏิบัติต่อไปในสภาวะที่ลึกขึ้นเนี่ยควรไปวางใจอย่างไรใช่ไหมก่อนที่คุณพิเชียนจะนึกถึงความสภาวะที่ลึกของการปฏิบัติเพื่อนำให้จิตไปเห็นสภาวะที่ละเอียดอ่อนที่ลึกเรื่องการเกิดดับนะที่ถามอย่างนี้นะต้องนึกถึงรูปธรรมคาว่าลึกเนี่ยใช้กับอะไรบ้าง เดี๋ยวลูกนึกถึงรูปธรรมก่อนก่อนที่จะลึกลุกไปเรื่องนามธรรมเงี้ยมันจะนึกภาพไม่ออกคงจะลงลึกถึงเรื่องนามธรรมต้องนึกถึงความลึกทางรูกประธรรมให้ออกสักสองสามตัวอย่างมีอะไรบ้างที่ลึกๆที่ใช้คําว่าลึกๆมีอะไรบ้างกำลังพอกำลังถามตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมอะไรบ้างรูกประธรรมที่เราเห็นโดยโดยทั่วไปที่ว่าลึกๆเนี่ยมีอะไรบ้างที่เห็นว่าลึกที่สุดเนี่ย คุณถามยังไม่เข้าใจประเด็นคาถามของพ่อประเด็นหลวงพ่อถามว่าคุณนึกภาพอะไรที่ลึกๆที่เป็นรูกประธรรมที่ใช้กันมประจําเนี่ยต้องนึกถึงในภาพที่เป็นรูกประธรรมที่ลึกๆนีอยแลบ้างหายใจลึกๆนี่เป็นยังไงอาการบ่อลึกๆเป็นยังไงตกไปในหิวลึกๆเป็นยังไงมันลงไปในตกลงไปในน้ําลึกๆเป็นยังไงมันขึ้นมาตกหลุมลึกๆเป็นยไงมัน นึกออกไหมให้นึกถึงรูปธรรมให้เห็นชัดเสียก่อนก่อนที่จะเข้าใจนามธรรมนะใ น, นงานเป็นการนึกเอาเนี่ยมันเป็นสัญญามันไม่เป็นปัญญาดังนั้นในคําถามที่ว่าเราจะวางใจอย่างไรเพื่อลูกสู่เสพภาวะที่ลึกของทางนามธรรมของจิตเพื่อจะไปเห็นเสพภาวะการเกิดดับที่เราสมมุติว่าลึกใช่ไหมอันนี้ ค, ความหมายที่คุณวิเชียนหมายถึง นั้นในจุดเนี่ยเมื่อเราเข้าใจเห็นสภาวะความลึกเราเอาไปเทียบกับอะไรแต่ความตื่นใช่ไหมมีภาวะที่ลึกขึ้นหน่อยใช่ไหมอะไรก็ตามก่อนที่มันจะลึกเนี่ยมันจะต้องผ่านอะไรก่อนต้องผ่านตื่นใช่มตื่ยะต่างตือนระยคุณสัมผัสอาการตื่นตื่นได้ไหมของร่างกายเนี่ยเบาตื่นตื่นใช่ไหมอาการของรูปเป็นเรื่องตื่นตื่นเนาะเอางี้ถามก่อนความรู้สึก สบายกับไม่สบายเนี่ยอันไหนรู้สึกว่าลึกอันไหนรู้สึกว่าตื่นเป็นภาวะที่ลึกใช่ไหมภาวะรู้สึกที่ไม่สบายเป็นภาวะที่ตื่นตื่นใช่ไหมไม่สบายใจหยาบหยาบนี่ก็คือตื้นใช่ไหมละเอียดนี่คือลึกใช่ไหมหลวงพ่อกำลังถามบุปผาธรรมความลึกสบายกับไม่สบายเนี่ยภาวะอันไหนลึกกว่านะภาวะอันไหนตื่นตอบตรงนี้ให้ได้ก่อนลึกอสบายเป็นภาวะที่ลึกภาวะที่ไม่สบายเป็นภาวะที่ตื่นใช่ไหม เพราะว่ที่ร้อนเป็นเาว่าที่ตื้นเพราะว่าที่เย็นเป็นเาว่าที่ลึกอย่างนี้นะเอาละที่นี่เวลาคุณเดินคุณก็มีสองอย่างคือหนักกับเบาคุณรู้สึกเหยียบหนักรู้สึกว่ามันตื้นๆเพราะมันสัมผัสง่ายใช่ไหมแล้วยกขึ้นมันเบารู้สึกสัมผัสยากมันเลยรู้สึกลึกเพราะนั้นลึกตื้นกเกิดจากอะไรลึกเกิดจากอะไรลึกก็เกิดจากตื้นนั่นแหละแต่ก็ตื้นก็เกิดจากลึกนั่นแหละ ถ้าใกล้เนี่ยรู้สึกมันตื้นๆใช่ไหมถ้าไกลเนื้อสึกมันลึกใช่ไหมถ้าไม่มีใกล้เนี่ยจะมีไกลไหมอันนี้ไม่ใช่ถามกวนนะเป็นรูปธรรมนะเพราะฉะนั้นเป็นความเปรียบเทียบเป็นสมมุติลึกตื้นเนี่ยเป็นสมมุติเจ็บลึกๆไม่รู้ไงรู้สึกเจ็บลึกๆเพราะว่าเจ็บนี่หยาบหรือละเอียดอยากถ้าเจ็บลึกๆเนี่ยมันเจ็บยังไง ใชลึกๆเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องสมมุติที่เข้าใจเข้าใจได้ดังนั้นถามว่าตั้งใจอย่างเป็นกลางอย่างไรตั้งใจอย่างไรที่จะเข้าสู่สภาวะที่สัมผัสที่ลึกลงไปเพื่อจะเห็นการเกิดดับเพราะเราสมมุติว่าการเกิดดับเป็นภาวะที่ลึกหลวงพ่อได้บอกเสมอว่าการเกิดดับภาวะที่ตื้นมีไหมก็คือการเกิดดับของอะไรของกายและ ลึกลงไปอีกนิดหนึ่งเป็นการเกิดดับของอะไรเวทนาใช่ไหมลึกเข้าไปอีกนิดหนึ่งเป็นความเกิดดับของอะไรความคิดหรือจิตลึกลงไปอีกนิดเป็นการเกิดดับของอะไรของอารมณ์ใช่ไหมถ้าคุณจะไปถึงการเกิดดับระดับอารมณ์คุณต้องเห็นความเกิดดับของอะไรก่อนตื้นๆใช่มแล้วแล้วขุดดินตื้นๆมันจะขุดง่ายใช่ไหมพอขุดลงไปลึกๆเจออิฐเจอหินเจอดินเจอทรายเจอด่านไปไงขุดยากไหมยากมากขึ้นเพราะ เลยที่แข็งลงไปเนี่ยอาจจะเจอน้ำใช่ไหดังนั้นฉันใดก็ดีภาวะของกายนนเราคือว่าอยากละคิดว่านะแต่ไม่ใช่ของจริงใช่ไหมคิดว่าเฉยๆนะเฉ <laughs> <laughs> พาะ ก, กายเนี่ยดูให้มันหมดในชาในกายเองเนี่ยถ้าสมมุติความตื่นทั้งวันความตื่นเนี่ยไปร้อยๆชั้นตั้งแต่หัวเจีเท้าเนี่ยใช่ไดูมันทันไหม นี่คือสภาวะต้องเอาสภาวะที่เป็นจริงมาพูดกันนะไม่ใช่นึกเอานะะแล้วก็เวทนาในกายของเราถ้าได้หัวจุดเท้าเนี่ยคุณวิเชียนว่ามันลึกหรือมันตื้ น, นเป็นแ่งเลยสามระดับเวทนาหยาบหยาบเป็นตื้นใช่ไหมเวทนาทางกลางๆงเป็นลึกระดับกลางเวทนาละเอียดเช่นสุขเวทนามันก็ลึกอหะใช่ไหมเพราะเป็นอย่างรู้ได้ยากเพราะฉะนั้นง่า ย, ายๆคําว่าลึกคืออะไรก็ตามที่ละเอียดละเอียดลงไป ตามดูได้ยากเป็นภาวะลึกไม่ว่ากายไม่ว่าเวทนาไม่ว่าจิตไม่ว่าธรรมทั้งสอย่างนี้อย่าง ก, ก็มีหยาบกลางลึกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าถึงความลึกในส่วนห ย, ยาบหยาบเท่าก่อนเราจะเข้าถึงความลึกของส่วนละเอียดเข้าใจนะเพราะฉะนั้นไปดูกายทั้งหยาบกลางละเอียดให้ได้ดูหยากายหยาบกลางละเอียดเป็นแล้ว หยาบหยาบเช่นพับตาอ้าปากหายใจเหลวซ้ายหลายขวาก้มเงยก้าวซ้ายก้าวขวาเนี่ยดูได้หมดไหมลึกลงไปเช่นชีพจรเต้นหัวใจเต้นส่วนไหนที่มันเคลื่อนไหวอะไล่ตามรู้ทุกส่วนพยายามรู้ถ้าอยากจะรู้ลึกๆในเรื่องของจิตและลมต้องรู้ลึกๆเรื่อง ก, ก, ก, กายนี้ไปก่อนแล้วต่อไปก็ตามรู้ลึกๆของเวทนาเช่นอาการร้อนตื้นๆเนาะ อาการที่เบาบางลงไปอากาศเย็นพอสบายๆก็เป็นกลางเมื่อากาเย็นชุ่มฉ่ำเหลือเกินแนบเนียนลึกซึ้งแล้วก็คนก็ชอบเนะาะมันละเอียดแล้วก็ลึกลงไปเพราะนั้นความสุขขั้นลึกๆเนี่ยปุถุชนคนธรรมดาสัมผัสได้ยากเพราะอีสีเขาอยากแต่ว่าคนที่มีสติปัญญามีศิละปะมีความละเอียดละไมก็จะเข้าถึง ความรู้สึกอารมณ์ที่ลึ ก, กึเช่นพวกศิลปินศิละปะทั้งหลายนะความละอ่อนความแนบเนียนทางอารมณ์พวกนี้เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะมีชั้นของมันหยาบกลางละเอียดดังนั้นถ้าจะสัมผัสความลึกของด้านจิตและอารมณ์ต้องสัมผัสความลึกของกายกเวทนาให้ได้ก่อนถ้าสัมผัสกายกเวทนายังไม่ชัดการที่จะไปคิดรู้ลึกถึงความลึกของจิตและอารมณ์นั้นมันเป็นไปได้ยาก เพราะว่าทุก อ, อย่างมันต้องเป็นไปตามขั้นตอนเข้าใจได้นะเพราะนั้นวางใจตามลาดับอย่างนี้นะเอาปัญหาโคตอาไปอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามาพิจารณาเนี่ยท่าบอกว่ามันเป็นสังขารหมดบูงแต่งหมดซึ่งไม่ใช่เป็นวิปัสสนาเป็นเป็นสมมุติเป็นสมถะแต่เรามาทำวิปัสสนาเอาภาวะ เกิดขึ้นแต่ละขณะขณะนี้มาเป็นอารมณ์เอาปัจจุบันเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นขณะปัจจุบันเนี่ยขณะนี้มีสี่สัมผัสอารมณ์อะไรได้บ้างขณะ น, นี้ที่ชัดๆพอจะําดับถูกไหมขณะนี้ไม่ใช่ตอนเย็นกัด ต, ตัวนี้ยังมียุ่งอยู่ไหมไม่ใช่ปัจจุบันแล้วมันไม่ได้กัดตอนนี้มันผ่านไปแล้วนะเป็นอดีตแล้วนะเออมันเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อไม่ใช่ยุงกัดตอนนี้มีอาการคัน อาจจะไม่ใช่ยุ่งกัดก็ดอาจจะคันเรื่องอื่นนะเอาปัจจุบันที่สุดปัจจุบันขณะให้รู้แค่นั้นคุณจะพิจารณาเท่าไหร่ก็ได้แต่ให้เป็นปัจจุบันถ้าถ้าออกจากปัจจุบันแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เขาอาจารย์ถามมาว่าเทียนมันเกลือเค็มไหมบอกไม่เค็มเ อ, อ้าทําไมอ่ะบอกมันขนาดนี้มันไม่เค็มขอรับว่างั้นเราจะว่าไงอ่ะนั่นจริง อ, ะอ่ะฮะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นปัจจุบันขณะนั้นะคืออารมณ์ของนิพพาน เราปฏิบัติเพื่อนิพานนะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อพิพานคือต้องเอาปัจจุบันอารมณ์เป็นที่ตั้งเสมออะไรที่ไม่ใช่ปัจจุบันเก็บไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นเพียงอ า, อารมณ์มันไม่ใช่ความจริงขณะนี้ที่สัมผัสได้อากาศเย็นหรืออบอ้าวเราร้อนขณะนี้อ้าวใช่ไหมอ้าวนี่มันหนักหรือมันเบาหนักมันสบายหรือไม่สบายเป็นคู่ได้ไหมสัมผัสเป็นคู่ได้หมดนะขณะนั่งในิริศิษฐ์หนักกับเบาเนาะ mm. ถ้าไม่ได้ขยับ มันก็หนักขยับนิดมันก็บอให้เห็นละให้จับคู่อย่างนี้แฉกคู่ขณะที่เกิดขึ้นปัจจุบันคู่ที่นี้มันไม่เกิดจากการจินตนาการหรือสังขารแต่มันเป็นภาวะที่สัมผัสคู่อย่างนี้เป็นปัจจุบันไม่ผิดแต่อย่าพิจารณาอันนีจังโ อ, อ้มันมันเป็นอดีตหมดละอันนั้นคืออารมณ์ของสมถะพยายามโน้มนาวอาดีตหรืออนาคตที่ยังไม่มาเนี่ยมาเป็นอารมณ์โอ้วันนี้ไปเห็นดอกไม้มาร่วง มันช่างเป็นอนิจจังเนาะตอนเช้ามันยังบานสดใสยอยู่เลยตอนเย็นนี่ร่วงแล้วช่างเป็นอนิจจังอะไรท้องๆเนี่ยนะ่ะไม่ใช่อารมณ์ปัจจุบันไม่ใช่เป็นวิปสัสนาเป็นสัญญาเป็นอดีตหมดเราก็จะไม่เป็นอารมณ์วิปสัสนาแต่เป็นสมถะได้เข้าใจนะอืเราเคยชกมวยไหมเคยชคกับใครไหม <laughs> ต้องนึกถึงของจริงกันะ <laughs> ถ้า เรามีคู่ชกถ้าเราเข้าไปใกล้คู่ชกเป็น ไ, ไงถ้า<ม> <laughs> ป้องกันตัวใช่ไหไ อ, อถ้าไม่ป้องกันตัวเ ป, ป็นไงเขาก็โดนเขาเรีนงานใช่ไหมเพราะนั้นวิธีป้องกันตัวก็เหมือนกันถ้าเราจะคิดก็น่กก่อนว่าเราจะคิดอย่างไรป้องกันตัวอย่างไงที่จะไม่เข้าไปในความคิดเพราะเข้าไปในความคิดมันเข้าไปด้วยความไม่รู้ใช่ไหมถ้าเรารู้ตัวว่าเราจะคิดรู้ตัวก่อนแล้วก็ป้องกันตัวว่าเออคิดเรื่องนี้สักพักนะหนึ่งนาที หถึงที่ได้จบนะแค่จบกันลักษณะเนี้ยเร็วไมนะ่เข้าไปในว่าเป็นผู้ใช้ความคิดถ้าเราใช้มันเรียกว่าเราไม่เข้าไปในมันแต่ถ้าเราเข้าไปในมันโดยไม่รู cit, lady, baby, <Chris? S 1> ้ตัวนั้นมันใช้เราเราถูกน็อกเราเข้าไปหามันโดยที่ไม่มีการตั้งสติเลยนะนั่นหมายว่าเข้าไปในมันอ่านนลักษณะเงี้ยให้รู้ว่าเข้าไปก็ให้รู้ออกมาก็ให้รู้ลักษณะนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นผู้รู้คิดเห็นคิด เพราะเราเป็นผู้กำหนดว่าเราจะเข้าหรือเราจะออกแต่ถ้ามันเผลอเข้าไปแล้วก็มารู้ทีหลังว่าเออเผลอเข้าไปแล้วก็รู้วิธีออกก็ยังดีก็ไม่ดูก็ไม่ใช่หยุดดูมันดับไปดูมันดูมันจนดับอ่าดูมันจนหายไปดูไม่ใช่ดูความคิดนะดูความรู้สึกตัวกระตุ้นความรู้สึกตัวอดูความรู้สึกตั ว, ว, ตวแล้วจิตมันมีขนาดเดียวขณะดไหนเราดึงมันมาที่รูปนามรูปก็ดับเพราะว่าตัวคิดหมายถึงตัวนามรูปใช่ไหม แต่เราจะให้นํำมารูปบรรดาบเอาดึงจิตมาอยู่กับรูปนาำใะมันก็ออกจากความคิดทันทีทำให้ว่ากลับมาอยู่ปัจจุบันได้ชัดขึ้นได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าเข้าไปในความคิดหมายเพราะว่าเราเรารู้ว่ามันมีคิดแน่นอนแต่ว่าเรารู้ขนาดนี้เราคิดหรือไม่คิดดีที่สุดคือระวังป้องกันไว้ก่อนแต่ในกรณีที่ขนาดป้องกันแล้วหมัดมันก็ยังล้วงเข้ามาจนได้บางครั้งใช่ไหมไอ้อคู่ชคบางครั้งมันฉลาดกว่ามเรือหาร่อให้เราเอามันก็เข้าไปแล้วเราก็ ก็ถอยห่างออกไปก่อนอถ้าไม่ถอยห่างเดียวมันหมัดต่อมามาเข้าไปคางหรือบ้าตาวก็วเดียวงั้นะี้วิธีการก็คือรู้จักเข้ารู้จักออกโดยที่ไม่โดยที่ไม่เผลออันนั้นคือตัวดีที่สุดคือไม่เผลอเข้าไปแต่ส่วนใหญ่มันต้องเผลอเข้าไปซะก่อนถึงจะรู้ว่าคิดใช่ไหมถ้าไม่เผลอเข้าไปเราก็ไม่รู้ว่าคิดไอ้ตรงนี้ก็คือพยายามที่จะมารู้สึกตัว ตัวรู้สึกตัวนี้ไม่ได้หมายไปห้ามมันนะหรือไม่ไปกดมันนะแต่เรามาทําอีกอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้มันละอันนั้นแต่ถ้าเราไปกดมันไว้โดยที่ไม่ทําความรู้สึกเนาะหมายเพราะว่าเราไปบังคับให้คิดมันหยุดกดไว้ก็จะไม่ยอมเดี๋ยวเมื่อคิดต่อการเอานามมาแก้นาำ ม, มารูเพราะสติมันเป็นนามตัวขึ้นเป็นนาำ ม, มารูปก็คือรู้สตินี่แหละรู้สึกตัวนี่นแหละตัวรู้สึกตัวเป็นตัวนาม อ่าตัวเจิตมาอยู่ว้กับ น, นามซะพอมันเผลอในจิตเข้าไปอยู่นา ม, มารูปใช่ไหมคือ <c oughs> ความคิดแล้วก็ดึงตัวจิตมาอยู่กับ น, นามคือตัวรู้สึกซะตัวนามรูปก็หลุดมีป้องกันก็ตั้งสติไว้ก่อนว่ารู้ว่มันจะเผลอแน่นอนเราตั้งสติไว้ก่อนอจะก็เข้าไปหาคูยชกก็รู้มันต้องชกแน่นอนะใช่ไหมเราก็ต้องตั้งการ์ดไว้ก่อนแหละ เหมือนกันนะเรารู้ว่าเดี๋ยวมันต้องถือแค่คิดในนอนเพรคะนั้นตั้งสติไว้ก่อนแล้วกันตั้งไว้ชัดๆกับการเคลื่อนไหวชั ด, ๆ ช, ดๆชัดชัดไปใช่มาถ้ามันเผลอไปก็ไม่ว่ากันก็รู้กลมาตั้งใหม่เอามมีการมันก็มีการเคลื่อนไหวอยู่มีการจับนุ่นจับนีอยู่เอาใจมาเยอะกับการจับการยักนันย้ายนี้จับความรู้สึกตัวขึข้นๆ้นี่ยชัดๆมาที่บอกว่า <c oughs> ให้มารู้ชัดกับมือที่จับเนี่ยสัก็สิเอร์เซนต ไอสิ่งที่เราจับให้แค่สามสิเปอร์เซ็นก็พอแล้วแต่ให้ให้ทำใจให้รู้ที่มือเนี่ยใชเจ็ดสิบหรือแปดสิบเอร์ซ็นขึ้นไปจับนี่แหละสักเจ็สิบเจะจับถอดปลัค่อยหนักที่มือไม่ใช่ไปนหนักที่นี่เป็นการแบ่งน้ำหนักของความรู้สึกตัวไวท้ที่ที่เราถ้ามันจะเผลอไปมันก็มันก็ดึงกลับมาได้ง่ายเพราะน้ำหนักหลักมันอยู่ที่นี่แต่ที่นี่เวลาชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยมันทำไม่ได้ขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะยังไม่ชำนาญแต่มันมีทางอื่นเลย แต่ว่าเราได้บ้างเสียบ้างไม่เป็นไรเราขอให้ตั้งสติไว้ก่อนก่อนที่จะทําอะไรโดย ต, ตอนนี้ฉันจะเจริญสติกับสิ่งนี้แล้วนะมเมื่อคืยเล่าหลายๆครั้งก็คือไปเยือนพระพาราดเนี่ยเดินเช็ดถูกุฏิทุกวันอก่อนจะฉันเช้าหรือก่อนฉันก่อนฉันเช้าวินาาทะบัตรมาก็มาทําความสะอาดกุฏิใช่มไหมมันก็เหนื่อยจะวินาาทะบัตรล้วไม่พอมาเช็ดพื้นนี่ก็เหนื่อยหนักไม่ทําำไง นี่เราก็เลยอกเอ า, อางี้มึงจะไม่ต้องทําุ่งเช้าฉันแล้วไปทําเสร็จแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยเวลาทำบัลลังมันหนักมันเหนื่อยการถูพื้นวันนี้เราจะทำไงไม่ให้เหนื่อยแล้วใครมีสติตลอดตั้งไว้ก่อนเลยเริ่มตื่นต่วขนาดนี้เราจะจะิญสติเกียวกับการถูพื้นนั่นนะเริ่มตื่นจากอะไรไปหาผ้าคลี่ยืดเพือ่อเลี้ยเดินสติไปกำหนดสติไปก่อนที่จะเอาผ้าคลี่ยืกับกำหนดที่มือก็จับลงไป แปจับผ้าคีรีลวก็มองหาอะไรต่อหาทางน้ำเนาะก็มุ่งไปหาทางน้ําจับความรู้สึกที่เท้ากาลังเดินจับทางน้ําแล้วมุ่งต่อไปอะไรไปกอกน้ำใช่ไหมก็ําหมดสติไปตามลำดับเนี้ยวันนั้นใช้เวลาสองชั่วโมงจบขบวนการโอ้เสร็จแล้วเบาทั้งเนื้อทั้งตัวเลยเกิดปิติเห็นไหมอันนี้ยถ้าเราตั้งสติอย่างนี้บ่อยๆนะมันจะเกิดทักษะแล้วทักษะตัวนี้เวลาไปทําจริงๆมันจะมาเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น ในที่สุดก็ไม่ต้อตั้งมันเป็นอัตโนมัติมันจะต้องแบบทําแบบฝึกหัดบ่อยๆอฝึกหัดบ่อยๆแล้วมันจะง่ายขึ้นนะเอาถ้าช่างมันไม่ไปนะมันติดตจช่างอยู่อะช่างมันจริงหรือเปล่านั่นมันถูกต้องแล้วมันทําหน้าที่ของมันนั่นนถูกต้องแล้วเพราะว่ามันมีเกิดคือมันออกไปนะแล้วพอเราดึงมามันก็ดับมันทําหน้าที่ของการเกิดและดับโยมก็ทําหน้าที่ได้ถูกต้องแล้วแต่ถ้าหากว่ามันคิดออกไปอยู่ไม่ดึงกลับเ มันทําหน้าที่เกิดไปเรื่อยๆเพราะอยู่ไม่ทําหน้าที่ดับมันแต่ว่าได้ทําได้ทุกครั้งไหมอย่างที่ว่าเนี่ยรู้ทุกครั้งไหมอาจะเผือไปมากไปน้อยไปนานไปสั้นไม่เหมือนกันในช่วงที่รู้แล้วก็กลับดึงกลับมาได้ทันทีสักพักสักพก็ไปใหม่นั้นเขาเรียกว่าเป็นการฝึกให้จิตของเราเนี่ยได้ได้ระลึกรู้บ่อยๆเพราะนานเข้านัานเข้ามันก็จะไวขึ้นไวขึ้น ไวขึ้นจนรู้ปับคิดปักรู้ปุบ๊บคิดปักุ๊บตอนแรกๆเนี่ยมันคิดปักบาง <c oughs> ทีเผลอคิดไปยาวหน่อยนะถึงจะรู้ ก, ก็ตึงกลับมา <c oughs> ตอนแรกมันก็สั้นบ้างยาวบ้างหรือบางทีบางเรื่อง ก, ก็ยาวบางทีก็ลืมไปเลยตั้งเรื่องใหม่จอยใช่ไหมก็อย่างเงี้ยคือพยายามดูเท่าที่ดูตามความเป็นจริงเราไม่ต้องไปเอาเดียวเดีนวะแต่รูบ้บ่อยๆที่หลพอเห็นรู้อะไรนะยิ่งคิดยิ่งรู้ใช่ไหม <c oughs> อ่ะมันยิ่งเกิดเราก็ยิ่งดับได้ เพราะเราไม่ไม่มีการเกิดขึ้นเราจะไปเรียนรู้จากการดับได้อ๋อก็ที่บอกเหตุไปแล้วว่าควา ม, มง่วงเหงาห้านอนเกิดจากความเพลินที่ที่เพลินเกินแล้วมันจะสังสมและสังสมก็จะมาเป็นควา ม, มง่วงเหงาห้านอนเพราะเราติดสบายมาก่อนเมื่อสบายมันก็เป็นเกินไปช่ส่วนใหญ่แล้วเราก็ชอบเสพความเพลินถ้าเสพ บ, บ่อยๆเข้ามันก็ออกมาเป็นควา ม, มง่วงเหงาห้านอน เพช่วงที่เพลินเราไม่แก้เลยอะ่ะมันเพลินดีสบายแล้วไปทําอะไรมันอีกเนาะอ๋ อ, อวันแรกเลยนะี่ <laughs> นวนหลายสมัยหลยายสมัยแล้วอา้าวก็มันก็เป็นอย่างนั้นนะว่าอยู่ที่ว่าเราเอาใจใส่มากน้อยแค่ไหนถ้าเอาใจใส่เรียนรู้เมื่อวา น, วานแก้ได้วันนี้ก็ต้องแก้ได้ดีกว่าถ้าเราจะเรียนมันจริงๆไงนะแต่เมื่อวานมันแก้ได้วันนะี้มั น, แ ก, น แ, กมแก้ไม่ได้แสดงว่าเราไม่ได้เอาใส่ใส่จะเรียนรู้เรื่องนี้เราจะว่าจะให้มันเพลินจะให้มันได้อารมณ์จะให้มันสบาย มันจะไม่เรียนรู้ว่าเออมันออกไปยังไงจะเอากลับมาอย่างไงความคิดในขณะเดิมมันออกไปยังไงถ้าจะเจ็บจาเรียนรู้เรื่องนี้จริงๆนะมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่เราทำไมจึงไม่เรียนรู้ต่อบางทีเราก็ลังเลเมันใช่หรือไม่ใช่ครับอ่อาอมันก็จะลังเลเพราะฉะนั้นผู้ใหม่เนี่ยก็จะอ่าลองผิดลองถูกไปอย่างนี้ก่อนจนกว่ามันจะได้เห็นผลว่าเออการที่จิตมันออกแล้วดึงมากลับบ่อยๆนะผลเป็นอย่างไรนะเราเห็นผลตรงนี้ชัดแล้วก็จะ ขวนขวายในการทําบ่อยขึ้นแต่ตัวนี้มันยังไม่ชัดเราทําได้บ้างไม่ได้บ้า ง, ม ไ, งไม่ใช่ว่าชั่วโมงเนี่ยในการที่ความคิดเกิดขึ้นเราจำกับความคิดเกิดขึ้นทั้งชั่วโมงอะไม่มีอใช่ไหมเมื่อี้ทำได้พักหนึ่งแค่นั้นอ่ะอีสักคั้งมันก็ไปตามเรื่องจำเล่ามันนะอุณหภัยขยันขนาด น, นั้นแล้วนะไม่ไม่กำลังอ่เมื่อใดเรารู้สึกว่าเวลามันสั้นหรือแทบจะไม่รู้เลย ว, ว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่นะ ตรงนั้นเขาเรียกเราเข้าสู่ปัจจุบันอารมณ์ได้แล้วเพราะปัจจุบันอารมณ์มันจะไม่เป็นเวลามันอยู่เหนือการเวลาแต่ถ้าเมื่อใดจิตของเราออกไปในความคิดเนี่ยนะมันจะรู้สึกว่าเวลาสั้นเวลายาวถ้าจิตเข้าสู่ปัจจุบันอารมณ์เลยปั๊บเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่ามีเวลาแล้วก็จะเราไม่เรียกว่าเพลินเขาเรียกอยู่ในสภาวะของสภาวะธรรมปัจจุบันขณะเพลินนหมายความว่ามันมีอดีตแลอนาคตนะแต่ว่าปัจจุบันมันไม่มีเพลินไม่มีอดีตอนาคต แต่เราสามารถเข้าเนื้เขาเรียกว่าได้อารมณ์เรจะทํานานเท่าไหร่ก็รู้เหมือนว่าไม่นานอันนี้ถูกต้องละอ่ะสาสภาวะเกิดขึ้นแล้วเรียกว่าได้อารมณ์ละวันพู่งลองพยายามดูอีกทีนะนแล้วเราเดินทําให้หัวใจเต้นหรือว่าเดินแล้วทําให้เห็นการเต้นของหัวใจใแต่ก่อนหน้าไม่เคยได้ยินใช่ไหมคาว่าเดินหนักๆกเขาเดินนานนานในจังกันนะนที่ว่านี่หนักนี่นานขอสงสัยการที่เราได้อารมณ์ตรงนั้นอารมณ์ละเอียดมันเห็นชัดเนี่ยเขาเรียกอารมณ์ปัจจุบัน อารณ์ปัจจุบันมันจะเห็นอาการต่างๆได้ชัดเจนมากเนื่องจากว่าจิตของเรามาอยู่ปัจจุบันยิ่ ง, งจิตอยู่ปัจจุบันฉะนั้นจิตมันก็ยิ่งใสถ้าจิตยิ่งใสมันก็จะไปเห็นรายละเอียดของอากายเวทนาชัดในส่วนหยาบนะถ้าหากละเอียดลึกไปกว่านั้นก็จะไปเห็นอาการของจิตคิดหรือไม่คิดละเอียดลึกไปกว่านั้นก็จะได้เห็นภาะวะการเกิดดับของอารมณ์ได้นี่เห็นเฉพาะช่วงกายกับความรู้สึกทางกายนะ ก็เห็นปัจจุบันในชั้นที่หนึ่งตอนนั้นก็จิตก็อยู่กับปัจจุบันได้พอสมควรนะที่เห็นชัดแต่ว่าความเต้นของหัวใจไม่ได้เป็นความผิดปกติของร่างกายนะแต่มันเป็นความเห็นที่ชัดลงไปเห็นอาการชัดซึ่งอาการของเต้นหัวใจมันก็มีอยู่แล้วแหะแต่เมื่อก่อนทำไมไม่เห็นเพราะว่าขณะถึงจิตยังไม่ตกอยู่ปัจจุบันอารมณ์นานเท่าไหร่แต่นี้จิตไปอยู่ปัจจุบันอารมณ์นานก็เลยเห็นชัดขึ้นเข้าใจไหมเพราะทำไมไม่ทดสอบ วิธีใหม่ทํามันตอนแรกอะ่ะตอนแรกมันตึงๆอย่ใช่ไหอพอมาแก้ปรับตรงโน้นนี่ก็อาการมันก็ดีขึ้นเอาเองใช่ไหะต่อไปมันละเลยไม่ได้ทําต่อมันก็มาเป็นเหมือนเดิมอีก อ, อาการของโยมก็คือว่าโยมมีนิสัยในการสังเกตและเรียนรู้ลักษณะอย่างเงี้ยคือพยายามเห็นอาการอะไรที่มันมันตึงแล้วไม่แช่อยู่ตรงนั้นนะ่ะเข้าไปหาวิธีแก้พอแก้มันดีขึ้นนะแล้วมันเป็นอกีกก็หาวิธีแก้อีก แต่ในกรณีที่เพียนไม่พอเนี่ยขี้เกียจแก้ก็ปล่อยไปยังไงอันนี้ก็จะเข้าอยู่ที่เดียวมีอ๋อไม่ทุกอย่างมันเกิด้มันก็ดับตลอดเวลาต้องแก้เรื่อยๆอันนี้คือข้อสังเกตที่สําคัญเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราไปสําคัญมั่นหมายทุกสิ่งอย่างว่าเที่ยงว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ความจริงไม่ใช่มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะนั้นความเพียนนี่เราเพียนต่อสู้และศึกษาการเปลี่ยนแปลงให้ทัน ถ้าเราทันต่อการเปลี่ยนแปงพมีการเกิดดับตลอดเวลาใช่ไหมความหนักความเบามีตลอดเวลาเย็นร้อนอ่อนแข็งเงตึงมีตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกมีตลอดเวลาคิดไม่คิดมีตลอดเวลาอารมณ์ดีอารมณ์ไมด่มดีปรากฏตลอดเวลาสลับกันไปสลับกันมาใช่ไหมเขาเรียกว่าการเกิดดับเพราะฉะนั้นวิธีแก้่คือจะต้องตั้งสติตั้งสมาธิเข้าไปปรับสภาวะการเกิดดับที่เราไม่ปรารถนาเช่นภาะว่าหนักเพราะว่าตึงเพราะว่เครียดเพราว่าง่วงอะไรพวกนี้นะ่ะ เป็นภาวะการเกิดดับที่มันไม่ไ ม, ไม่พึงปรารถนาแต่การเข้าไปแก้ลักษณะของการอาการที่ไม่พึงปรารถนาเรียกว่าลักษณะอาการเกิดคือการเกิดของทุกข์คือสมุ ท, ทยัยแต่หลัการแก้เข้าไปแก้เราต้องการใช้อาการดับคือน้ำเนี่ยเข้าไปบาลานมันเหมือนกับ น, น้ำเนี่ยมันร้อนแต่เราต้องการกินทันทีเนี่ยกินไม่ได้ใช่ไหมวิธีทำให้มันกินได้ทันทีคือทำไงเอาน้าเย็นเข้าไปบาลานมันใช่ไหม อันนี้ก็เหมือนกันอาการที่มันตึงขนาดนั้นน่ะถ้าขยาะมันหายเองนี่ใช้เวลานานมากใช่ไหมเราก็เอาตัวผ่อนคลายตัวแก้ไขเนี่ยตัวแก้ไขเป็นตัวนามเป็นตัวปัญญาคาร์เนลนิโรดตัวดับเข้าไปแก้ตัวเกิดตัวที่มันตึงขนาดนั้นเป็นตัวสมูทัยเพราะว่าที่เราพยายามแก้เป็นตัวนิโรดที่เข้าไปดับในขณะที่มันยังไม่ดับก็เรียกว่าเป็นมรคอยู่พอแก้แล้วมันคลายขึ้นดีขึ้นนิโรดอาการตึงหายไปมันนิโรดไปแล้วเพราะฉะนั้น การปรับแก้ตรงเนี้ยวิธีนี้จริงใช้หลักของอริยสัจ ต, ตลอดเวลาอภิัสะนะแต่เราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่นี่คืออาการของมันเพราะฉะนั้นการปรับแก้จริงเราถ้าถึงทำความทำความเพียนยังไงเพียนเพื่อปรับแก้มนะันไม่ใช่เพียน เ, เ, เพื่อจะทําให้นานๆเยอะๆให้มันได้อารุณสูงไม่ใช่นะเพียนเพื่อปรับแก้ให้ทันต่อการเกิดและการดับของสภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นอ๋อใช่ใช่ใชใชก็ขณะที่ทําแล้วเพ้อกุดท้าไปนาน ทีนิ่งพยายามที่ให้จิตนิ่งไงนะแต่อาการที่ถูกต้องพยายามแก้อย่างที่ ท, ที่ทําแล้วถูกละวแต่นอนไม่หลับก็ น, นอนนวดมือเล่นอะไรหายใจเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เอาแ่ น, นั้นแหะแก่ละอย่าไปนอนทือ่อย่าดูอาการไม่ใช่ทําอะไรก็ได้อีกอันหนึ่งดูลมหายใจเล่นไปเรื่อยๆต่อนี่เพื่ออะไรมันเพลินนะอ่านั่นแหละนั่นคือพน้าวมันนะมันเพลินว่าเพลินเดี๋ยวไม่ใช่ว่าต่อละวมันเพลิน แล้วมันเป็นอาการทุกคนมีอยู่แล้วนะไม่ดีใชไมัน่ใช่ไม่ดีแต่มันจะเป็นกำลัไปเหตุใกล้ให้ไปสู่ความไม่ดีมันยังไม่ตัวมันเป็นกลางกลางนะตัวตัวเพลินนี่นะแต่ถ้าหากว่าเราไม่เอาออกเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเราติดไฟหุงข้าวเนี่ยดีนะแต่ถ้าติดหุงข้าวสูงแล้วมาดับไฟนะแต่มันไม่ดีตรงนั้นแหละเพราะมันจะไหม้อันอื่นดรอไปอาการเพลินเป็นยาอย่างหนึ่งแต่ว่าอย่าใช้มันมาก เอาออกไปก่อนใช้นิดเดียวอย่างยาอย่างกินยากินมากมันได้นะกินเพื่อรักษาอาการมันสมมุติว่าเราหนักเราเหนื่อยรู้สึกต้องการเพลินชั่งนิดหนึ่งใช่ไหมก็โอเคมันหายหนักหายเหนื่อยก็เอาออกมันไปใหจะมาศึกษาใหม่เพราะนั้นไม่ใช่เพลินไม่ดีเพลินนั้นเราอย่าเสเพเท่านั้นเองถ้าไปเสพมันก็จะไม่ดีแต่ใช่มันดีที่ใช้มันหมายความมันจบอะ สมดไปแล้วไป น, นอนมันดับทันทีไหมนั่นก็เพราะว่าร่างกายมันได้พักผ่อนนะก็หลวงพ่อบอกแล้วนะ่าถ้าหากว่าไปทดสอบดูก่อนถ้ามันเป็นความต้องการของร่างกายอนุ ญ, ญาตให้คุณนอนให้เต็มที่เลยนะเออระนาดดับเลยเออใช้ได้บอกเลยก่อนก่อนแล้วนะคุณไม่ต้องสงสัยเออแต่ว่าไม่มีปัญหาใช่ไหมวันนี้ปฏิบัติได้ดีมากแต่ขณะที่เป็นจังหวะนี่เรารู้สึกชัดไหมว่ามันได้ยกมือ แล้วขณะที่ยกนี่รู้สึกทั้งเนื้อทั้งตัวหรือรู้สึกเฉพาะที่มือไม่ใช่ทั้งตัวนะเฉพาะที่แขนนะอืม <_ ounce> ถ้าอย่างนั้นก็ยังไม่ถูกหมดคนจริงยกเราอยากให้รู้ทั้งเนื้อทั้งตัวถ้าหารู้เฉพาะแขนนานๆมันก็จะเพ่งมันก็จะแต่รู้เอาทั้งตัวได้น้อยกว่าเวลาเดินนะเดินจะรู้ทั้งตัวได้ง่ายกว่าในขณะที่เรายกมือนั่งยกมือกับขณะที่อาการเวทนาที่เกิดจากการนั่งกับเวทนาที่เกิดาการยกมือเนี่ยอันไหนชัดกว่าเพราะเราเพ่งไป เพ่งมากไปมันเลการเกี่ยวการกระตุกนะเพราะนั้นตั้งใจเพราะฉนั้นพยายามขยับบ่อยๆขยับปรับเพื่อที่กระจายความรู้สึกตัวให้ทั่วพร้อมนะแล้วอาการยิ่มก็จะหายไปแต่ว่าถ้าผู้ใหม่ก็จะชอบการเดินมากกว่าเพราะมันปร่งเบาสบายดีแต่ว่ามันสมาธิมันไม่ค่อยได้แต่คนจริงสติสมาธิต้องไปคู่กันนะนะไม่รู้จักใช่ไหมเออนั่นแหละนั่นแหละตัวนั้นแหละต้องการให้รู้ตัวนี้ชัดๆก่อน ให้รู้หนักเบาหนักเบาการรู้หนักรู้เบาน่ะรู้การเกิดการดับของรูปต้นต้นเ น, นี่นะการเคลื่อนกันไหวมันเป็นอาการของมันคือหนักหรือเบาการเคลื่อนไหวเป็นเพียงอาการกลางกลางต้นไม้มันจะเคลื่อนไหวเป็นแต่ว่ามันไม่รู้หนักรู้เบาแต่เราเคลื่อนไหวนี่เพื่อสัมผัสรู้หนักรู้เบารู้เข้ารู้ออกของมันไม่ค่อยสงสัยอะไรมั้มันถูกต้องแล้วเพราะนําไปตามกฎของแต่ลักษณ์ไงแต่เราก็ต้อง ความเพียรมีความหมายเพื่อเราไปแก้กฎของใจรักให้อยู่เฉพาะกายเราที่ปรับแก้เพื่อมาให้มันเข้าไปเป็นผลต่อจิตเขาเรียกว่ามันไหลเข้าไปสู่จิตถ้าไปสู่จิตมันจะเกิดอาการชอบหรไม่ชอบอาการนั้นนะถ้าอาการชอบไม่ชอบเกิดขึ้นแสดงว่าเราไปยึดว่ากายเนี่ยอยากให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดแต่เป็นไม่ได้มันเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดเวลาเราก็ต้องปรั บ, บอ่าเป็นเป็นสบายไม่สบายไม่สบายเป็นการเกิด ขยับนิดเดียก็สบายก็การดับคือ ด, ดับก็ดับก็เห็นตลอเวลาอ๋อนั่นนะก็แสดงว่ามันเกิดบ่อยก็ต้องขยับบ่อยมันก็ต้องดับบ่อยอย่างงี้ย น, นะนะขยับบ่อยดีเพราะว่าจะได้เห็นจะไม่ต้องเก็บมันไว้คุณมานางเป็นงไงบ้างวันนี้เพราะเพลินมาบอม่อยเห็นอ่าถึงง่วงมันก็เกิดบ่อยการแก้ง่วงกับแก้เพลินอันไหนง่ายกว่ากันง่ายกว่าเพลินนี่แค่ยากความจึงเพลินแก้ง่ายแต่มันรู้ยากง่วงนะั้นมาแก้ง่ายแก่แกแรู้ง่ายแต่แก้ยาก ไปนั่นไปพิจารณาเรือให้ดีไม่ใช่ไม่ให้คิดไม่ให้หยู่คิดแต่ให้ดูคิดเดินเจอกระทั่งเดินไปถึงจนกระทั่งว่าเราใช้ความคิดเป็นเหมือนกับเราสวิตไฟเนี่ยต้องการปิดก็ปิดได้ต้องการเปิดก็เปิดได้นี่คือเป้าหมายแต่ง น, นี้ปิดเปิดได้ ต, า, ตามต้องการะอะไรยังแล้วการออฟ ก, ก็ได้แล้วการออนก็ได้เงี้นะนั่นคือเรียกว่าเราเป็นผู้จัดการเรียนเพื่อจะเป็นผู้จัดการชีวิตของตัวเอง ถ้ายมจัดการชีวิตยอมได้ยมจัดการยังไงจัดการให้มันทุกข์เรียให้มันสุขออเอนี่ยเร า, า, าไปจัดการได้แต่ตอนนี้จัดการไม่ได้ใช่ไหมจัดการมันสุขได้ไหมเออถ้าได้าก็จบแล้วไม่ต้องปฏิบัติเลยเพราะนั้นเราเรียนมาเป็นผู้จัดการคือมายความเป็นอผู้ผู้เข้าไปคือชีวิตของเราเนี่ยบอกว่ามันเป็นอนาตตาจัดการอะไรไม่ได้ใช่ไหมมาเขับบัญชาไม่ได้ แต่เราจะไปเหนืออนัตตาเปลี่ยนอนัตตาให้เป็นปัญญาเพื่อจะเอาตัวปัญญาไปจัดการกับอนัตตาอีกทีหนึง่งแต่ถ้าปัญญามันไม่เกิดเราก็เรียนรู้ให้เกิดปัญญาก็เรียนรู้จากอนาัตตนั่นแหละแล้วก็เอาตัวปัญญานมาแก้อนาตตาอีกทีนึงให้มันควบคุมได้บังคับได้แต่โดยธรรมชาติถ้าไม่เกิดปัญญาเราควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้อย่างสมมติว่าตัวเองกโกรธอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะทำไมปล่อยให้ตัวเองโกรธทั้งๆ ท, งที่เพราะาเราควบคุมมันไม่ได้ แต่ถ้าเขาคุณมันได้เราก็จัดการเราออนะจัดการมันได้เออยากรธนะมันก็ฟังเราใอยากนะมันก็ฟังเราที่จะจัดการมันได้อยาฟุ้งนะสั่งได้ไม่ให้ฟุง้งนี่คือเรียกว่าออฟออนได้ถ้าเราจัดการชีวิตได้แบบนี้แล้วก็ไม่มีทุกข์ละ อ, อ๋อบางอย่างมั น, ม, นมันมีตัวมีตัวให้จัดการนะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าจะ สมมติโยมจะไปจับปลาในาน้ําเนี่ยโยมไปจับเลยได้ไหมมันก็ต้องใช้อุปกรณ์ใช่ไหมเหมือนกับไอตัวสภาวะเนี่ยที่เราจัดการตัวนี้เราไปจับตัวมันไม่ได้แต่เราใช้เครื่องมือคือใช้จัดการที่กายสมมุติว่าความอยากนั่นอยากนี่เนี่ยถ้าหากว่ามันเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นความไม่ไม่อยากคือไม่ชอบแต่ถ้าเราจะจัดการมันเอามันออกหรือไปจัดการอย่างไร<ม>ก็จัดการ ที่กับใจมาอยู่ความรู้สึกเฉยๆเนะี่ยตัวอย่างมันก็หลุดเพราะตัวรู้สึกเฉยมันเปลียนเป็นตัวที่ไม่อยากอยู่แล้วนะแต่ทีนี้ให้มันคุ้นให้คุ้นกับความรู้สึกต่อสิ่งนั้นเหมือนมันเป็นภาวะแปลกปลอมเข้ามาแล้วก็หยิบทิ้งไปท่นเองแก้วน้ําตั้งไว้ถ้ามีใบไม้ตกหรืออะไรตกใส่แล้วก็หยิบออกก่อนที่จะดื่มตัวนั้นนะ้นํำภาวะเดิมจริงๆมันไม่คุน้นใสยอยู่แล้วเพราวะว่า จิตของเดิมของเราเนี่ยมันรู้สึกเฉยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวที่รู้สึกเฉยๆที่จับได้ง่ายกว่าก็คือร่างกายรู้สึกที่ร่างกายชัดๆนะนะมันก็ไปจูนกับภาวะที่รู้สึกเฉยๆของของจิตตัวอยาง ก, ก็สลัดทิ้งไปนะปัญหาหรือคําถามหนึ่งหลายคนฟังแล้วเข้าใจแล้วก็เหมือนได้ตอบไปในตัวมันได้ถามไปในตัวอันนี้ผลผลดีอย่างนึงก็คือปัญหาของเราอาจจะตรงกับคนนั้นอาจจะไม่ตรงกับคนนั้นจะมีมันไปตรงกับคนหรือมันก็แก้ไปในตัว ฉันั้นในส่วนของการสอบอารมณ์ด้วยการถามปัญหาเนี่ยมันมีข้อดีคือมันตรงประเด็นสิ่งที่เราต้องการรู้นะบางทีสิ่งที่เราต้องการรู้คนอื่นได้รับการแก้ไขแล้วก็เคลียร์ไปคำความสงสัยของเราก็จะเคลียร์ไปด้วยสําหรับผู้เข้าเกี่ยวอารมณ์ผู้นี้ตั้งที่กล่าวแล้วว่าขอสมท่านต่อไปก็ไม่ชีอุไร คุณหมอหมอนางคุณเป็นสีกับคุณรัชนีนะแล้วก็อยู่ที่ปฏิบัติข้างนอกก็ค่อยอศึกษาเรียนรู้ ก, กันต่อไปอาจจะได้เข้าวันต่อถัดไปเรื่อยๆทีดาแล้วแต่ใครจะได้อารมณ์ก่อนหรืเข้าต่อแก้ลงสมณ์คหมควาว่าปรับแก้อารมณ์ของตัวเองเป็นปรับแก้เรื่อยๆจะง่วงจะงจะงจะคิดจะแก้เรื่อยๆไม่นั่งแช่ไม่นั่งนั่นก็เวลาไปเข้าเกี็บอารมณ์มาช่วงระยะยาวใช่ไหม แล้วก็มีวิธียิ่งแก้ปัญญาก็ยิ่งเกิดแต่ยิ่งไม่แก้โมหะเขายิ่งเกิดอันนี้เคยเสียหลักนะปัญญาเกิดมันก็จะทําให้แก้ปัญหาแก้อุปสรรคได้ง่ายได้เร็วจิตก็จะเป็นอิสระได้เร็วพระจิตจะจะถูกความเผลอลักตัวพาไปทุกครั้งที่เผล่นะพอเผลอปั๊บจิตก็ถูกลักพาตัวไปแล้วปัญญาก็ตามแก้เกิดขึ้นมาสักพักมันเผลอไป พอปัญญาขาองเราไม่คงที่สตไิไม่มันคงก็เผลืหลุลดไ ป, ไปบ่อยๆแต่ว่าเราฝึกฝนอยู่แล้วก็แก้ตามกลับมาทํานี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยในที่สุดพอสติสัมยาที่เราฝึกมันเข้มแข็งปับ๊บมันก็ไม่ปล่อยให้จิตหลุดมือไปง่ายความผลืดก็เข้ามามัได้เพราะตัวนี้เขามีวิธีที่จะให้จิตมาอยู่กับตัวนี้แหละนะเพราะฉะนั้นการเก็บอารมณ์ก็เพื่อที่จะซักซ้อมกําลังของสติสัมยาให้เข้มแข็งให้คงที่ขึ้น เพื่อที่จะไปกานเอาจิตกลับมาทันทุกครั้งที่มันถูกความเผอรักพาไปนี่นั่นคือหัวเสียบห ล, ะละักๆขอนการเก็บรวมนะ